4. ปริญญาวาระปฏิโลมบุคคลเทกะมูลกะใน2อ1อนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้คามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่ บุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้มานานุใส่เว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้การมาราคานุัสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพยงด้วยมักแล้ว บ, บ, บุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยและก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสอนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่8ดไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้วิจิกิจชานุใสเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที Renee, ่8ดแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยและก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุษย์ใบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้การมาราคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่8แล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิชานุัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวราคานุใสอวิชานุัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้อวิชานุัยเว้นบุคคลสองจพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้ว บุคคลที่เหลือไ ม, ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุัสและก็ไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุัสปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุัสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัสใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคาไม่มักไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุัสแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้กามราคานุัสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมร า, า ร, ราคานุสัย 232. ออนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้ว <NFT 21> <ๆ>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 และก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ทิฐานุสัยวิจิกิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่แปดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้วิจิกิชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัย และก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุใสปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุใสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ปฏิคานุัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุใส และก็ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุใสอวิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมักไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กาหนดรู้อวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมากแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัย และก็ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้ปฏิคลานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัย แล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยสองอสสอ น, นุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่แปดไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กาหนดรู้วิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอรหันตมรักและบุคคลที่แปดแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยปติบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กาหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรมและบุคคลที่แดแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้วิจิจิชนุสัยและก็ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ภาวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิใช่สองร้อนุ บุคคลใดไม่ใช่กาหนดรู้ที่ฐานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาหนดรู้วิจิกริชนุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กาหนดรู้วิจิกริชนุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาหนดรู้ที่ฐานุสัยใช่ไหมวิใช่สองอนุบุคคลใดไม่ใช่กาหนดรู้วิจิกริชนุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาหนดรู้ภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหรตัตมรักษไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้อวิชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหรัตมรักและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัยและก็ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัยใช่ไหมวิ บุคคลที่8ไม่ใช่กําหนดรู้อว enfin <t Ay damn bullshit> <cera> ิชานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยและก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัย236อนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยใช่ไหมวิใช่เอกะโมละกะในจบทุกกะโมละกะในสองอสามสอนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมัก ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัสและปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงได้มาักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุ <t une> <t une> <t une ัสปฏิคานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสและปฏิคานุัยใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำผูกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสและปฏิคานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ที่ฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่8ดไม่ใช่กําหนดรู้กาม า, าราคานุสัยและปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมาร์กและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้กาม า, าราคานุสัยปฏิคานุสัยและก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยปฏิ บุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคาไม่มักไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิิชานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามีมักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัย และก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัยและปฏิคานุัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวราคานุใสอวิชานุัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสและปฏิคานุัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้อวิชานุัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรักแล้ว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 เว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กาหนดรู้อวิชานุสัยและก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยทุกกะมูลกะในจบตึกะมูลกะใน238อนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาหนดรู้ทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยใช่ไหม บุคคนที่8ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุส <ac frustrating> ัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้วิจิกิจชานุใสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสและก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุใส บ life, ุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยและมานานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอารหัตมักไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้มานานุสัย กกกเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้ว่งมรรคและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำหนดรู้วิจิิจชานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัสปฏิคานุัสและมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัสปฏิคานุัสและมานานุัสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุัสอวิชานุัยใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 แล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสปัตตคานุสัยและมานานุสัยเดตะมูลกะในจรจะตุกะมูลกะในสองอสาสิบเอนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยปฏตตคานุสัยมานานุใสและทิฏฐานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุัสมานานุสัยและทิฐานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิิชานุัสมานานุสัยและทิฐานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้การมาราคานุัสและปฏิคานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอารหัตมักไม่ใช่กำหนดรู้วิจิคิจชานุใสการมาราคานุใสปฏิคานุัย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 และวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้ภาวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่แปดไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัย และมานานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้ทิฏฐานุสัยและวิจิจิานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคาม่มรรคไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิจิานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำผู้ผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยและก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัย ปัจจคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยปัญจกะมูลกะในจกจับกะมูลกะในสองยสี่ออนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้กามาราคานุสัยปัิจคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดไม่ใช <mil> ่กําหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและภวะราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่8ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัย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 ทิฏฐานุสัยวิจิขิฉานุสัสภาวะราคานุสัยชากระมูลกะในจกปฏิโลมาโอกาสเอกะโมลกะในสองอยสี่อนุ บุคคลไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยในรูปธาตุอารูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์บุคคลไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัย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 ในทุกขเวทนาในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยในสภาวะธรรมที่มินับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่กำหนดรู้การมรรคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 บุคคลไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสยัยปฏิบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสยัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสยัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในการมทาธาตุบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้การมาราคานุายัย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 แต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยในเวทนาสองในกามาธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดก็ไม่ใช่กาหนดรู้ปฏิคานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกเวทนา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 ก็ไม่ใช่กําหนดรู huh. ้มานานุสายอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่สอยสี่หอนุบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้ทิฐานุสายอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสายอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจชานุสายอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กําหนดรู้ทิฐานุสายอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่สยสี่ห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 บุคคลไม่ใช่กําหนดรู้ภาะวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กําหนดรู้ภาะวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่เอกะมูลกะไนจบทุกกะโมลกะไนสองยส48อนุ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 แล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอนุบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กำหนดรู้ที่ฐานุัสวิจิขิชานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กาหนดรู้วิจิกิชานุัย ในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิชานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิชานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุด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 วิใช่ทุกกรมูละกาในจบเึกกรรมูลกะในสอยสี่อนุบุคคลไม่ใช่อกำหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่อกำหนดรู้ทิฐานุใสวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่อกำหนิดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่อกำหนดรู้การมาราคานุใส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 บุคคลไม่ใช่คำหนูรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่คำหนูรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ตตกละมูลกะในจกเจตุกะมูลกะในสองยห้าอนุบุคคลไม่ใช่คำหนูรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 ก า, นานาาการม า, ม ร, ร, าะะราคานุสัยและม า, า, านานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุใสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้การมาราคานุใสมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์ บุคคลไม่ใช่กําหนดรู้ภาวราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอนุบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชิานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปติ บุคคลไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจณานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปัญจกะมูลกะในจบชักิกมูลกะในสยห้าอนุบุคคลไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย วิจิขิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กำหนดรู้เอาวิชฉานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่กำหนดรู้อาวิชฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่กำหนดรู้กลามราคานุใสปฏิฟานุใสมานานุสัยทิฏฐานุใสวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั <the> voilà ้นใช่ไหมวิใช่ ชากมูลค่าในจบ